ใหญฟังทมกันเพราะว่าการทำความเพียรพระศาสดาทรงตรัสว่าต้องทำวันนี้นี่แหละอัจเชวกิจจมาตปังโกชัญญามรนังสุเวยอย น, นี้ น, นั่นนะการประกอบความเพียรพยายาม ละความชั่วทำความดีไม่ต้องผัดวันประกันพุ่งต้องทำเดี๋ยวนี้แหละกำหนดใจละสิ่งที่ควรละกำหนดใจรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วถือเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเพราะอาดีตมันก็ล่วงมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นมาแล้ว อนาคตก็ยังไปไม่ถึงยังไม่เป็นไปมันก็ยังเหลืออยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองแต่เพลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ความจริงมีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้เองแล้วเราจะพยากรณ์ได้หรือว่า วันพรุ่งนี้มรืนนี่เราจะยังอยู่อย่างนี้นะใครจะไปรับรองได้คนทุกวันนี้ยิ่งตายเร็วนอนก็หัวใจวายตายมันไปอย่างนั้นแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายมันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันก็มีอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเพราะว่าที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วมาแล้ว ความรักความชังอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมาแล้วไอ้ของมูนั่นนะที่นี่มาเพ่งดูในปัจจุบันเนี่ยเรามันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาในหัวใจบ้างนี่มันมันจะมีกิเลสอะไรมันก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่มันจะปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้เองอเช่นความรัก ก็ดีมันก็คิดขึ้นในปัจจุบันนี้ความโกรธก็เหมือนกันมันก็คิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองนะถ้าบุคคลมีสติสมบัติเสีญนี้ตามควบคุมจิตนี่อยู่เสมอไอ้ทางเผลอที่จะสร้างทีเลตขึ้นในใจนั้นก็มีน้อยเต็มทีอะนน ดังนั้นที่พระศ า, าสดาทรงเตือนว่าการทำความเพียรต้องทำในวันนี้นี่แหละเพราะว่าใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันใดไม่มีใครทราบเลยไม่มีใครรู้วันตายของตนเลยอย่างนี้นะบางทีมันอาจตาย วันนี้พุ่งนี้ก็ได้มันไม่แน่นอนเลยทีเดียวดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำความเพียรฝึกผลนลมรมจิตต์ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณพระรัตนกรักรให้ได้อย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกองกิเลสตัณหา แห้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เมื่อเราได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจแล้วใจมันก็ตั้งมั่นได้ไม่ค่อยวอกแวกคนมีบุญมีคุณความดีอยู่ในจิตใจแล้วใจไม่ค่อยวอกแวกตั้งมั่นอยู่ภายในได้ เมื่อใจตั้งมั่นอยู่นันเนี่ยมันอะไรมาถึงเขามันก็รู้ทันนะดีมาถึงมันก็รู้ชั่วมาถึงมันก็รู้เอออันนี้มันความชั่วเรื่องชั่วอมรู้เนะี่ยมันก็กำหนดละทันทีไม่ยึดถือเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นธรรมดาใจ ของคนเรานี่เมื่อทําให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วอันเรื่องใจตั้งมั่นนี่นะมันก็มีเป็นขั้นตอนอย่างว่านั่นเนี่ยขั้นแรกนี่กาตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่แหละก่อนนะยึดเอาบุญเอาคุณนี้เป็นที่พึ่งเข้าไว้คุณนั้นก็หมายถึงคุณพระรตนไกล คุณมารดาบิดดาคุณครูบาอาจารย์นี่บรรดาสิ่งที่มีคุณทั้งหลายเราประมวลเข้ามาสู่จิตใจนี่หมดเมื่อผู้ปฏิบัติแล้วมาทราบซึ่งในใจของตนว่าใจของตนนี่มีความเชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่ เต็มร้อยเปอร์เซนต์นไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นเลยว่าจะมานำตนให้พ้นจากทุกไปได้นะไม่มีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีการกลั่นกรองนะเหมือนอย่าง ภายในเขานัเนี่ยอย่างเช่นเขาสร้างเครื่องยนต์นกลไกต่างๆโมนี่เขาต้องหล่อหลอมเหล็กนั่นให้กล้าให้เหนียวมันจึงทนทานได้เวลาประกอบเข้าเป็นเครื่องยนต์แล้วพาให้วิ่งอยู่มดก่อนมันก็วิ่งไปได้อันนี้ลองสังเกตตัวเครื่องบินก็ดี เขาก็กันดอล้อมเอาเหล็กที่ดีดโลหะที่เหนียวแน่นเข้าประกอบเข้าไปวันนี้เมื่อเครื่องยนต์มันดีแล้วมันก็พาคนไปบินไปในอากาศถึงจุดหมายปลายทางได้ข้ออุปมาณ้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ ก, กายใจ นี่พระศาสดาก็ทรงเรียกว่าสริลยนเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องยนอีกชนิดหนึ่งร่างกายนี่เนื่องจากว่ามันเดินเหินไปมาได้ทำการงานอะไรก็ได้คิดอ่านอะไรก็ได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเครื่องย น, ก, นกลไกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสริลยน สาริยนันนี้เนะี่ยบุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วส่วนร่างกายนี่นะเราจะไปตกแต่งให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะแต่ดวงจิตนั้นนะ่ะถึงมันจะมีกรรมเป็นเครื่องอยู่มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยติดตามมาก็ตาม แต่สามารถที่จะหล่อหลอมให้มันบริสุทธิ์ได้ให้มันมีกำลังเข้มแข็งได้เหมือนอย่างโลหะธาตุที่เขามาดัดแปลงเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างที่ว่านั่นเลยนี่อันจิตนี่เรียกว่าฝึกได้หล่อหลอมได้แต่ร่างกายนั่นทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำออามาตัชาติก่อน มันมานนตกแต่งให้โดยอาศัยธาตุของมารดาก บ, บิดาระสมกันเข้าส่วน ร, รูปร่างลักษณะต่งตางๆนี้อาศัยบุญกรรมที่ทำมานั้นตกแต่งให้เมื่อบุญเก่านั้นมาตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วบุคคลจะไปดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเก่ามั่นคงขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยนี่ให้ ให้เข้าใจอย่างนี้ส่วนจิตนี่สามารถฝึกให้ดีได้ให้มันละกิเลสมันก่อละได้ให้มันทำความดีต่างๆมันก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตนี่มันไปยึดมั่นในความชั่วไว้แล้วอย่างนี้นี่มันก็ยากที่มันจะมายกตัวเองให้สูงขึ้น ให้ความคิดความนึกอันนี้มันสูงขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นไปไม่ได้อนี่แหละให้พึงเข้าใจผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้นะเพราะมันไปยึดมั่นอยู่ในกิเลสอันห ย, ยาบหยานั่นนะมันเป็นอย่างนั้นวันนี้การปฏิบัติธรรมนี่อไม่เอาการหล่อหลอมจิตดรงนี้ ให้มันบริสุทธิ์ฟุดฟ่องเหมือนอย่างนายช่างที่เขาหล่อหลอมทองคำหรือเงินธรรมชาตนะิเมื่อมันละลายแล้วเขาก็ไล่เอาสนิมออกไปสนิมของมันก็ลอยฟ่องอยู่บนนี่เขาก็ตับสนิมมันออกไปให้เหลือั้งแต่เนื้อทองล้วนๆนะได้เนื้อทองล้วนๆนะจึงเอามา ตกแต่งเป็นเครื่องประดับประดาต่างๆก็มีสีสดใสแวววาวได้เป็นอย่างดีอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยมันต้องมีคุณงามความดีเป็นเครื่องฟอกทำให้สะอาดให้ได้ เช่นมีทานการให้การบริจาคเป็นเครื่องฟอกจิตใจนี่ให้มันขาวสะอาดปราศจากความโลภความตนีห่วงแหนออกไปนี่วันนี้เรามาเอาศีลกับเมตตาธรรมกรุณาธรรมอันนี้สำหรับฟอกจิตใจ ให้มันบันเทาเสียซึ่งความโกรธความพยาบาทต่างๆงพรามลาังแต่บุคคลมาสมทานสินเฉยๆแต่ไม่เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดมีขึ้นในใจเช่นนี้นี่บุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ไปได้ พราะว่าความโกรธเน่มันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตจิตใจนี่มันทำให้เสียผู้เสียคนไปเยอะแยะเลยบางคนก็เลยเกิดอาฆาตจองเวรกันเอาฆ่ากันตายปนปี้ลงไปเกิดมาทั้งทีเลยไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปสร้างตะกิเลตขึ้นห้ำหัน ทำลายซึ่งกันและกันให้ย่อยยับไปแล้วอย่างนี้มันมันก็ทำชีวิตนี้นให้เป็นหมันไปเลยะนะเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไระก็ไปสะสม้ยวยความชั่วใส่ตัวอยู่งั้นอันเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อสมปรธานมั่นในศีลแล้วมันก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาประกอบด้วย มันยังจะสามารถรักษาสินนั้นให้บริสุทธิ์ไปได้แม้การให้ทานก็เหมือนกันนะถ้าว่าใจนี่มันประมาทขึ้นมาแล้วมันมันไปยึดมั่นในเรื่องอื่นนู่นไว้แล้วทีนี้มันก็อ่อนนยอ่อนแอทางการทำบุญทำทาน ต, ต่างๆวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักแล้วในใจนะเพราะว่าเมื่อกี้เลสมันผักดันให้ ไปยึดมั่นในภายนอกนั้นแล้วมันก็เห็นผิดไปแล้วเห็นผิดไปว่าเออทาบุญทาทานก็แค่นั้นนี่ยไม่เห็นมันเกิดดอกออกผลอะไรมาเคยยากจนอยู่อะไรก็ยากจนอยู่อย่างนั้นก็เห็นไปอย่างนั้นแล้ะทีนี้เลยงดจากการทำบุญทำทานไปก็มีนี่มันเป็นอย่างนี้ทั้งนี้ขั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ภาวนา ไม่ไม่ได้รักษาจิตตรงนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่กำหนดเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งไปยึดเรื่องอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอารมณ์ที่เป็นบาปอากศุศลต่างๆก็ไปยึดเอาไว้ที่ตกวิจารณเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นมาเท่าไรใจก็ยิ่งมัวหมองไปเท่านั้น เช่นนี้แล้วมันจะทำความดีได้อย่างไรอะคนเรานั่นเอผู้ที่ทำความดีได้ก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้ตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอเสมอไปเมื่อเริ่มแรกตนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐนย่างนี้เราก็พยายามรักษาความเชื่อความเรื่มเสียนั้ใสอันนั้นไว้ให้มันสม่ำเสมอมาหรือไม่ให้มันยิ่งขึ้นกว่าเกา่าเทนี้เมื่อตนได้สมทานศีลแล้วอย่างนี้เราก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่าให้มันขาดมันด่างมันพร้อย โดยอาศัยการภาวนาเจริญเมตตากรุณาสนับสนุนศีลด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าเมื่อบุคคลมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทุกท่วนหน้ากันอยู่อย่างนั้นนะเจริญให้มากๆเข้าไปแล้ววันนี้จนว่ามองเห็นศัตรูกายเป็นมิตรไปหน จึงเรียกว่าเมตตาในอััมัญญาเมตตาในพรหมวิหารจริงทีเดียวนะผู้ใดผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เลยแต่ก่อนนี่เมื่อยังไม่ได้เจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเมื่อเห็นศัตรูเข้ามางนี่ยเรก็ใจขุ่นมัวขึ้นมาทันทีเลย ใจโกรธขึ้นเครียดขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่ามันมันขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อภายหลังได้มาเจริญเมตตาตั้งจิตปานาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรก็ดีเป็นศัตรูมาแต่ก่อนก็ดีอ่า เราก็เอาโหสิกรรมให้หมดไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทไว้อนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นก็อย่าได้ผูกอาฆาตจงเวนแก่เราเลยขอให้ต่างคนต่างอยู่เย็นเพ็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดถ้าว่ามานึกคิด อยู่อย่างนี้เสมอเสมอไปดนะ้วความรู้สึกที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปจากความโกรธมากกลายเป็นความเอ็นดูสงสารแทนแบบนี้นะนั่นนะอ้าเขาไม่ดีไปสงสารเป็นเอ็นดูทำไมบางคนก็อาจจะถามอย่างนี้ก็ได้ อันผู้มีใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาแล้วพอเห็นคนอื่นไม่ดีอย่างนี้นะมันกนึกถึงกรรมของเขาเออเขาได้ทํากรรมอย่างนั้นมาแต่ก่อนเขาได้ยึดเอาความโกรธความโลภความหลงมา เ, ออเพราะฉะนั้นกรรมนั้นมันรึงตามมาสนองเอาให้กลายเป็นคนใจดําเอามาหิทเพราะเขายังไม่รู้แจ้งในคําสอนของพระเจ้า แต่จริงต้องตกเป็นทาตแห่งความโกรธอยู่อย่างนั้นเมื่อพิรณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาสงสารไอ้ที่ว่าเขายังไม่รู้นั่นแหละเขายังไม่เข้าใจเรื่องนั้นด้วยปัญญาเขายังไม่เห็นโทษของความโกรธของพยาบาทเพราะฉะนั้นมันจึงได้ยึดถือเอาไว้นี่เนี่ยเมื่อ มาพิจารณาให้เห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วมันมันก็อภัยให้ได้เลยวะนีอมันก็อภัยได้ราะจิตใจผู้เจริญเมตตากรุณานี่มันใจสูงขึ้นไปแล้ววะนี้มันไม่ไม่อยู่เสมอกันกันกบศัตรูที่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อนนั้นแ่ะแต่ก่อนนั้นจิตใจอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นมันถึงเบียดเบียนกันได้ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยกจิตขึ้นสงูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะมันก็เมื่อจิตใจมันสูงขึ้นแล้วมันก็ให้เอาใครกันได้ทีนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นไว้เลยเห็นว่ามันเป็นทางแห่งความทุกข์แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลย นี่แหละการที่บุคคลจะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจมันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้สนับสนุนประกอบด้วยทั้งนักบวชก็ดีทั้งครืงหัดก็ดีไอเรื่องการปฏิบัติทมแล้วแนวเดียวกันนั่นแหละก็เคยพูดให้ฟังไอ้บ่อยๆอยู่เว้นเสียแตวินัยทอนเนี่ยมันแตกต่างกันส่วนธรรมะนั้นอันเดียวกันเลย มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าท่านเทศให้พระฟังดอกเรื่องอย่างนี้นะ่ะไม่ได้เทศให้ชาวบ้านฟังไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะคำสอนเหล่านี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลย ในเมื่อคนยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตราบใดแล้วธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราจะพึ่งโน้มเอามาสู่ใจของตนมาสร้างให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าผู้ใดไม่สนใจธรรมะเหล่านี้แล้วกิเลสของผู้นั้นก็ไม่เบาบางเลยมันก็หนาแน่นอยู่อย่างนั้นเน่ เพราะมันไม่มีอะไรที่จะมากำจัดมันได้นอกจากข้อวัาปฏิบัติด่งกล่าวมานี่แล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะมากำจัดกิเลส ป, ปาฏิธรรมออกจากหัวใจนี่ให้ได้ไม่มีถ้าหากว่ามีอย่างนี้มันก็เป็นคนบริสุทธิ์กันหมดแหละส่วนหลายนะเพราะว่าคนส่วนหลายนี่ก็ต้องการความบริสุทธิ์ ต้องการความเจริญแต่ว่าหาักไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของอุตเจ้ามีแะอยากอยู่เฉยๆเมื่ออยากอยู่เฉยอย่างนั้นไม่ยินดีพอใจปฏิบัติตามคำสอนของอุตเจ้ากิเลสบาป ท, ทำเหล่านะั้นมันก็ไม่เหือดแห้งไปสักหน่อยเดียวบางทีมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกซ้านะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พากันรู้ไว้อันนี้นที่พระศาสดาทรงพิจารณาก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชนะทรงพิจารณาเห็นว่าโลกอันนี้นะเป็นของคู่กันนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้มีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องบรนเทา มีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องบรรเทามีบาปแล้วก็มีบุญเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้แหละลองพิจารณาดูที่โลกอันนี้มันเป็นโลกคู่อย่างนี้ถ้ามีแต่บาปอย่างเดียวบุญไม่มีอย่างนี้นะ มันก็ไม่มีน่ะสวรรค์ก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีเลยมันก็จะมีแต่นรกอย่างเดียวอก็เลยจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างเนี้ไม่มีทางแล้วอมืมันแสดงว่ามันมีทั้งสองอย่างบุญก็มีบาปก็มีนี่เออผู้ใดทําบุญมากเข้าไปก็ไปสวรรค์ผู้ใดทําบาปมากเข้าไปก็ไปนรกอ มันก็มีสองทางต้นเนี่ยทางไปของบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่เ้าพ้ได้เพิ่กิเลสตัณหาส่วนย่ย่ำนั่นออกได้อย่างนี้เนะี่ยมันก็ละความชั่ว ต, ต่างๆมีปานาธิบาตเป็นต้นต่งางวมานั่นได้เลยพอละความชั่วเหล่านั้นได้แล้วมันก็มีแต่บุญเท่านั้นนี่ทาอะไรผู้อะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั่นเลย นั่นแหละบุญก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นในจิตใจของผู้นั้นเมื่อผู้นั้นสำรวมระวังไม่ล่วงสินได้จริงๆเลยอย่างนี้นั่นแหละข้อนั่นแหละมันเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลไว้กายวาจาจิตของผู้นั้นนะพอผู้นั้นทำอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นนี่ เมื่อเว้นจากความชั่วเหล่านั้นแล้วนะเช่นอย่ญญางว่าเราเว้นจากฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เราก็มีการเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันแทนการเบียดเบียนกันนี่อย่างนี้แหละผู้ใดมีความสามารถอำนวยความสุขให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากเท่าไรผู้นั้นก็ได้บุญกุศลมากไปเท่านั้น นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งใดที่พระศาสดาทรงบัญญัติธรรมเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละทางเดินของชีวิตผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ขอให้เข้าใจให้มันชัดๆเจ๊อันจิตใจของปุตุชนคนเราเนี่ย มันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็พลิกไปในทางบาปเดี๋ยวก็พลิกมาทางบุญนี่มานิการปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่าเรามาประคับประคองกี่ตรงนี้ไม่ให้มันพลิกไปทางบาปอากุศลให้มันโน้มหน้ามาในทางบุญกุศลให้มันทำความพอใจในบุญกุศลให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วให้มันพอใจที่จะภาคเพียรพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปจากขิตใจนี่เรื่อยๆไปถ้าหากว่าไม่พอใจในการทําความเพียรแล้วมันก็เกลียดคลาส น, นะคนเรามันเป็นยังไงเรื่องมันนะมันก็เกลียดข้านเมื่อมันไม่ภากเพียรพยายามนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรมหรือว่าศึกษาเราเรียนธรรมวินัยอย่างนี้นะมัไม่เอาเลยอย่างนี้มันก็จิตใจมันก็หันไปทางชั่วนี่มันเป็นไงมันจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้หรอกพอมันปล่อยวางทางที่ดีแล้วมันก็หันไปในทางชั่วจิตนี้ น, ะนั่นแต่นั้นผู้ใดเมื่อรักตัวกลัวต่อความทุกข์ แล้วเครื่องมีความภาคเพียนพยายามมีสติสมบสัติญาประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณที่ตนได้นับถือเลื่อมใสมาที่ตนได้สั่งสมอบรมมาเนีย่ยจะให้เื้อมเพื่ อ, อย่าให้จิตใจในี่เบื่อหน่ายต่อบุญต่อคุณถ้ามันมีปีติอินดีอยู่ในบุญในคุณอยู่เสมอแล้ว ใครจะหยิบยืนเอาความชั่วมาให้มันก็ไม่เอาเอาืไม่เอามันยังเคยพูดยกตัวอย่างของบงคนมาให้ฟังอยู่นะแต่ผู้ฟังบางคนน่ะไม่ได้ใส่ใจเลยเอืมก็พระ เ, เจ้านะทรงตรัดแก่พรามคนหนึ่งที่มายืนด่าพระองค์พระองค์ตัดถามมาดูก่อนพราม เมื่อหากว่ามีใครเขาเอาสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้แก่พรามณ์เมื่อพรามณ์ไม่รับเอาแล้วของนั้นจะเป็นของใครพรามณนั่นกระทูลพระ อ, องค์ว่าเมื่อข้าพระเจ้าไม่รับแล้วของนั้นก็เป็นของเจ้าของเดิมเขานั่นแหละบอกงั้นเ อ, อข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละพราหมณ์เมื่อท่านเอาความโกรธ ความไม่ดีมาให้แก่เราจะถาคตเมื่อเราถาคตไม่รับเอาแล้วความโกรธหรือความชั่วนั้นก็ต้องกลับเป็นของพรามณ์ตามเดิมจะไม่เป็นของคนอื่นเลยพรามณนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญรัตนาษษมาแต่ก่อนพอได้ฟังอุบายจาก พ, ร, พระศาสดาเน้นก็รู้สึกตัวได้ทันที ทีแรกก็ยืนด่าพระองค์อยู่พอรู้ซึ่งในธรร ม, มะนะคนนั่งลงแสดงความเคารพเต็มที่แบบ น, น, นี้เมื่อพระองค์เห็นว่าพรามนั้นมีความเคารพและะ่กว่านี้จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังทรงแสดงโทษแห่งความโกรธความมยาบาทอะไรเท่าไรให้ฟัง แล้วสุดท้ายก็ทรงแสดงอริยสัจนั่นแหละว่าคนเรานี่นะ่ยอย่าไปเข้าใจว่าตนนั้นเป็นผู้วิเศษอะไรเพราะว่าร่างกายอันนี้เนะ่ะมันมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นทำไมมันยึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปวนไปต้องรักษาต้องดูแลอยู่ทุกวันทุกเวลา มันก็จึงพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าปล่อยปละล่าเลยเสียไม่ดูแลไม่ปลนเปลอมันด้วยอาหารการบริโภคเป็นต้นแล้วรูปร่างอันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งแตกดับทําลายไปนี่การแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนะ แสนยากแสนลําบากดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละพราหมณ์แล้วทําไมมันถึงได้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามัมนจึงได้มาเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าจิตใจนั่นมันยึดเอาตัณหาความอยากไว้ในใจมันอยาก ได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆโม น, นี่เมื่อมันอยากได้อยู่นั้นแล้วมันก็แสวงหาเมื่อได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอใจยังต้องแสวงหามาอีกได้มาแล้วก็ยังไม่พอใจได้เท่าไรก็เลยไม่พอใจ ไม่พอใจไปจนถึงวะเวร ะ, ว ะ, ะหมดลมหายใจนู่นออมายาม่าจิตใจยังไม่อิ่มในความอยากเหล่านั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ตายลงไปตัณหาอันนั้นเป็นตัวกรรมมันก็นำจิต ป, ปัญญาเนี่ยไปเกิดอีกเพราะเกิดมาแล้วมันก็มาอยากอีกแบบนี้เนี่ยมูลเหตุของความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนะ พระพุทธองค์ยืงทรงตรัสว่าตัณหาแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังก็เป็นอย่างนี้เลยก็เกิดมาชาตินี่มันก็มาอยากได้อะไรต้องอะไรเหมือนเดิมถ้าหากว่าไม่ได้ส ด, ดับคําสอนของอุทเทจรไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนไม่ได้ฝึก้นจิตใจอันนี้ให้ละความอยากให้เบาบางลงไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเลย เมื่อตันหามันมี ม, มากเท่าไรความทุกข์ทางจิตใจมันก็มากขึ้นไปเท่านั้นนะเป็นองนนเมื่อยังมาเกิดอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ถาวรไดเ้เมื่อร่างกายอันนี้มันมีบาดแปลปวนไปกระทกกบกระทั่งกับดวงจิตนี่จิตก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยพราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่ให้พากันพิจารณาให้ดีดังนั้นพระศาสดายังตรัสว่า เมื่อละความอยากไปได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาไปเท่านั้นแหละถ้าละความอยากนี้ได้หมดเสียแล้วโดยประการทั้งพวงความทุกข์ทางใจก็หมดไปเลยอืเมื่อความอยากหมดไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนําให้ให้ท่านผู้นั้นนะ่ะไปทำบุญเป็นบุญไปทําบาปเป็นบาปไปอีกอย่างนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าความอยาก ต่างๆเหล่านั้นท่านละหมดแล้วบุญก็ทําเต็มบริบูรณ์หมดแล้วบาปก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นมันถึงไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนําให้ไปเกิดอีกเมื่อหมดอายุสังขารแล้วทั้งประดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไปสวยสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดอนันตการสุขอยู่ในโลกทั้งสามนี่ มันไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็กลับไปหาทุกข์อีกเหมือนเดิมเช่นอย่างว่าเป็นพรหมอย่างนี้นะกต่ว่ามีความสุขมากทีเดียวอยู่นานนานเท่าไรก็สร้างเมื่อหมดอนิสงส์แห่งชนันนั่นแล้วก็ต้องจุตติลงมาเกิดในโลกนี้อีกมาเป็นคนขึ้นมาอีกอย่างนี้มามีขันหานี่มาอีก เมื่อมีขันห้านี่มาแล้วก็อย่างว่ามาเลี้ยงดูปูเสือมันแสนทุกข์แสน ย, ยากลำบากเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้เลยทีนี้บางชาตินะเมื่อเกิดมาแล้วบังเอิญได้ไปคบกับคนพานเข้าอย่างนี้คนพานน่นนะก็ชักจูงไปในธรรมความชั่วด้วยกายวาจาใจเข้าไป ถาหา ก, กว่าผู้นั้นไม่รู้สึกตัวไม่เว้นจากคนพาลไม่ไปครบบัณฑิตแล้วผู้นั้นก็ทําชั่วไปจนตลอดชีวิต<ส>เมื่อเป็นเช่นนี้ละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วมันก็สุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินั่นไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนานานบนัดนี้นี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คอยพากันพิจารณาให้ดีอืม คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นการครบคนนี้นับว่าสําคัญเหลือหลายทีเดียวเพราะเมื่อไปคบกับเขาแล้วเราไปยินดีกับความเป็นอยู่เป็นไปของเขาอ่ะเราไม่ทําตามเขาก็ไม่ได้ทีนีน้นั่นต้องได้ทำไงเอาคนไปคบคนชอบเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะผู้นั้นก็ต้องเป็นคนเจ้าชู้ไปตามเขาออ อถ้าไปคบกับคนที่เขาชอบดื่มซูรามาีาัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมูนี่เข้าไปตนเองก็ต้องจําเป็นต้อง บ, บริโภคของเหล่านั้นตามเขาไปแหละไม่บริโภคไม่ได้จะเป็นยังไง <c oughs> ถ้าไป ค, บ, คบกับคนที่ชอบเล่นการพนันอย่างนี้มันก็จําใจก็ต้องเล่นการพนันกับเขา เล่นไปเลยมากับหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ชวนกันไปเป็นโจรแบบนี้นะไปเที่ยวปล้นเขากินแบบนี้ในสุดเจ้าหน้าที่จับได้ก็ไปติดคุกติดตารางชีวิตก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่นแหละเพราะฉะนั้ น, นท่านจึงกล่าวไว้ว่า การที่บุคคลเกิดมาแต่ละชาตินี่ที่จะได้มาพบพระพุทธศาสนานี่แสนยากแทกแางหนาหรือว่าจะได้พบองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็แสนยากเพราะว่านานๆนะจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนาะนหลายครั้งหลายกันนะนะี่อย่างนี้เลนืล้อบางคนเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไม่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมคาสอนของพระองค์เลยเพียงจะไปเกิดไปร่วมยุคร่วมสมัยกับพระองค์เท่านั้นเองมีอยู่ถมไปอ น, นั่น <c oughs> นี่ไงทนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อไม่ได้ฟังคําสอนของพระองค์แล้วก็ไม่รู้จักทางผิดทางถูกของชีวิตอตนทําผิดไปก็ไม่รู้ตัวทําถูกก็ไม่รู้ตัว ชาตินั้นนับว่าชีวิตอับเฉาเต็มทีเป็นหมันไปเลยทำความดีให้เจริญไม่ได้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้นะเมื่อได้มาพบแล้วยังมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ยังยินดีในการสดบตรับฟังคำสอนของพระเถเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามด้วยอย่างนี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐก็ขอให้พากันทำความพอใจยินดีในพระธรรมคำสอนนี่แหละให้มากที่สุดเลยถ้าถ้ายินดีเพียงเล็กน้อยมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็ผลักดันเอาความคิดความเห็น ต่างๆให้มันออกนอกลู่นอกทางแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไปมันเป็นยังน้นเรื่องวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสรุปใจความแล้วจึงว่าทุกคนนะต้องรักษาความดีที่ตนมีมาอยู่แล้วนั่นนะไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเพราะตนกลัวจะได้ทำกุศลความดี ถ้าเกิดมีมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายนักมันต้องต่อสู้กับกิเลสสามานนานาประการมาแล้วเอถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวไม่เข้มแข็งจริงๆ ก, ก็สู้มานคือกิเลสไม่ได้เมื่อสู้กิเลสไม่ได้ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคําสอนของผู้เผยพรจ้าได้นี่อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นแหละ ความโลภความตนีเนี่ยมันก็เป็นมารของจิตใจนี่ส่วนหนึ่งนะนั่นทีนี้ถ้าว่าบุคคลมีศรัทธาแก่กล้าเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงจริงทำดีก็ได้ได้รับผลเป็นสุขจริงอย่างนี้ เมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้อย่างแรงกล้าแล้วนะมันยึงเอาชนะความโลภความตนี่นั้นมาได้ถ้าความเชื่ออย่างว่านี้ไม่แข็งแรงนะสู้ความตนีไม่ได้เลยอันเวียนนั้นเทนี้เมตตาธรรมกรุณาธรรมหมดนี้ถ้าถ้าบุคคลเจริญขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นนมนนนนนไม่มีกาลังแก่กล้าพอ ม, มันก็สู้อานาจแห่งความโกรธไม่ได้เลย แม้บุคคลนั้นสมาทานสินมาสินก็ขาดไม่สามารถจะรักษาสิล น, นั่นไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมดังกล่าวมานี่ต้องให้เจริญให้มากกว่ากิเลสนั่นอีกเมื่อมันคุณธรรมมันมีกําลังเหนือกว่ากิเลสแล้วก็เอาชนะกิเลสอันนั้นได้เช็นเมตตาธรรมกรุณาธรรมเมื่อมีกําลังแก่กล้า ม, มากเขาไว้ มันก็บรรเทาความโกรธนั้นให้น้อยเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจกันเราต้องเจริญบ่อยๆ อ, อันเมตตานี่นะเจริญเอาจนนั้มองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรของตนนู่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเอาจนบันนั้นทีเดียวนะอย่าไปมองเห็นว่าพอเห็นคนนี้ก็เอยคนนี้น่ะมันเป็นศัตรูของเราอย่าให้มันได้มิตตกอย่างนั้น ให้มันวิตกกลงกันข้ามไปเลยโอ้ออเจ้านี่คนนี้มันก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแหละไม่มีใครจะอยู่ค้ำโลกอันนี้ไปได้หรอกว่างั้นอเมือม่อเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างนี้มันก็ให้อาภาัยกันไปได้เพราะในไหนมันก็จะตายอยู่แล้วไม่เศร้าจะไปเบียดเบียนกันไปทําไมอะไปฆ่าเขาเอาไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้ว จะไปฆ่าให้มันเป็นกรรมเป็นเวียนไปทําไมล่ะไอคนผู้มีมเมตตากรุณาธรรมมันสูงส่งแล้วมันก็ต้องคิดได้อย่างนี้แหละพอมันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธความพยาบาทลงไปเรื่อยๆอนั่นแล้วก็รักษาจิตใจนี้ให้เปี่ยมอยู่ด้วยมเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้เสมอเสมอไปนี่แหละ ไอการปฏิบัติธรรมน่ะมันก็จึงก้าวหน้าไปได้ถ้าสังสมของเก่าไว้แล้ววะนี้่ท่นนานมาพายของเก่ามันเสื่อมไปอย่างนี้แล้วมันจะก้าวไปได้ไงเอ้าเพราะมันเสื่อมว่ามันมาทำขึ้นหมาพอทําให้มันเกิดแล้วมันมีขึ้นมาแล้วนอนบางคนปล่อยมันเสื่อมลงไปเช่นนี้แล้วมันก็มันก็ไม่ก้าวหน้าไปสักทีเลยการปฏิบัติธรรม ดังนั้นสุดท้ายก็นี่แหละรักษาสมาธิภาวนานี่ไว้ให้ได้เสมอเสมอไปให้ถือว่าการทำเนะี่ยเป็นอาการิีโกเนะ่ไม่อ้างการอ้างเวลาเลยอืภาวนานี่ก็ให้ถือว่ามีอยู่ทุกเมื่อเลยเวลาไหนก็เป็นเวลาภาวนาอมให้เข้าใจอย่างนั้น ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยก็ให้ถือว่าเรามีภาวนาอยู่ทกระยะไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอา้าวทำไมยังว่ามีภาวนาอยู่มีภาวนาคือรักษาจิ ต, ตัวงนี้แหละให้เป็นปกติอยู่รักษาความรู้ความเห็นที่เราได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นแล้วนี่นะ เช่นเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างนี้นะก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้แหละให้มันกระจ่างอยู่ในใจเสมอเนี่ยเมื่อเมื่อความรู้ความเห็นอันนี้ยังปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วไอ้กิเลสยำยาบดังกล่าวมานะั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในใจได้เลย อแม้ใครมาชวนทะเลาะมันก็ไม่เอาด้วยเพราะมันมองเห็นเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรน ะ, อะเอแล้วจะไปทุบไปตีเราไปตอบโต๊ะทะเลาะวิวาทกันไปทําไมอ่ะือคนไม่ใช่มีอยู่ในนั้นนสัตว์ไม่มีอยู่ในนั้นเลยถ้าว่าโดยปรมัาทธรรมแล้วนะนั่นแหละถ้าว่าโดยสมมุตินั้นมีอยู่แต่วันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องลบสมมุติจนทิ้ง พูดกันอย่างกลงไปกลงมาต้องลบสมมุติทิ้งไปเลยนี่มองเห็นอัจฉภาพร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นหมดนี่เห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธ า, าตุประชุมกันอยู่รวมกันอยู่ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองอาศัยบุญกรรมหล่อเลี้ยงไว้มันจึงคุมกันอยู่ได้นี่หมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วมันก็คุมกันอยู่ได้ก็แตกแยกออกไปคนละทิศละทางกัน มันก็มีเท่านี้เองรูปกายอันนี้นา ม, มาธรรมมันก็เหมือนกันนะอาศัยรูปนี้เป็นอยู่พอรูปนี้แตกนา ม, มาธรรมก็ดับไปไม่มีเหลือนี่เราภาวนาปรงมันลงอย่างนี้ลงปรงลงไปจนแม่มันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ในใจนี้เลยให้มันเห็นเป็นแต่สภา ว, าาภาวาธรรมเท่านั้น ไอ้อย่างนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นจากทุกภัยในวะตาสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้